นานๆนนถึงจะได้มีเวลาพูดธรรมะกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเพราะธาตุขันร่วมเหลวไปโดยลําดับลำดาจนจะทํางานอะไรไม่ได้แล้วเพราะธาตุขันเป็นเครื่องมือของธรรมเป็นเครื่องมือของกิเลสเวลากิเลสทํางานก็เอา ขันนีแหละทางานเยอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้ทางานธรรมะก็เอาขันอันนี้ทางานเช่นเดียวกันเพราะไม่มีสิ่งอืน่นใดที่จะมาทางานแทนขันนี้ได้ขันนี้จึงเป็นเพียงเครื่องมือของทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรม เฉพาะอย่างยิ่งคือสัญญาเป็นสำคัญสำหรับผมเองรู้สึกว่าเด่นมากความจำหลงลืมพูดอะไรไปก็มีแต่หลุดตกหายไปเป็นระยะระยะการเทศจริงไม่สะดวกที่จะแสดงทำไปโดยลำดับเพราะต้องจะเรียกว่ากังวลก็ไม่ผิดคือต้องมีแง่ระวัง สัญญานี้จะหลุดหายไปเมื่อตั้งท่าระวังอยู่มันก็พอจับปฏิปะต่อกันไปได้บ้างดีกว่าที่ไม่ระวังและเทศไปโดยลําพังอยู่มากทีเดียวการสงสารหมู่เพื่อนนั้นยอมรับว่าสงสารเพราะมาจากที่ต่างๆเรียกว่าทั่วประเทศไทยก็ไม่ผิด ก็ามาจากทุกภาคมุ่งอัดมุ่งทำมุม่งครูบาอาจารย์ที่จะชี้ช่องบอกทางที่ถูกต้องดีงามให้นำไปพระพุตธปฏิบัติตนด้วยความถูกต้องและเป็นผลขึ้นมาโดยลาดับเพราะฉะนั้นเรื่องครูอาจารย์จึงเป็นของสำคัญมากไม่ว่าครั้งพระพุทธเจา้าหรือครั้งพุทธการ และไม่ว่าครั้งใดสมัยใดจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะต่อไปอีกเกี่ยวกับเรื่องครูอาจารย์เป็นสำคัญ น, นี้ละไม่ได้ท่านผู้มาศึกษาเรื่องอัดเรื่องรรมแล้วเพึ่งเป็น <c oughs> ผู้มีความหนักแน่นในธรรมทั้งหลายประหนึ่งว่าปิดหูปิดตาจากอันเป็นทางเดินของโลกของสงสารคือกิเลส ประเภดต่างๆเสียทั้งมวลก็ไม่น่าจะผิดไปเพราะตามธรรมดาของจิเรยย่อมมีความอยากความต้องการอยู่ภายในคือหัวใจนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วผลักดันออกมาตามช่องทางที่ควรจะออกได้เช่นตา ความอยากไม่ใช่ตาเป็นผู้อยากแต่จิตเป็นผู้อยากเราก็เรียกว่าอยากดูคือจิตนั่นแหละมันอยากดูอะไรดูก็คือตาเป็นผู้ดูนี่ตาเป็นเครื่องมือของการดูหูเป็นเครื่องมือของการฟังจมูกริ้นกายเป็นเครื่องมือแต่ละอย่างอย่างที่ออกมาจากความอยากของใจ ใจมีความอยากตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงต้องได้หักห้ามกันประหนึ่งว่าปิดทางเลินของกิเลสที่ออกเที่ยวหากินเสียทั้งหมดเห็นก็สักแต่ว่าเห็นไม่สนใจความสนใจส่วนมากร้อยทั้งร้อยมักเป็นเรื่องของกิเลสพาให้สนใจดูพาให้สนใจฝังจึงต้องได้ตัด อยู่โดยสม่ำเสมอประหนึ่งว่าหูหนวกตาบอดไม่สนใจกับโลกกับสงสารนี่หมายถึงภูมิที่มุ่งต่อความดูดพ้นโดยไถ่เดียวความหนักแน่นในการระมัดระวังรักษาอาจณะของตนย่อมเป็นอย่างที่กล่าวมานี้ในครั้งพุทธการท่านก่อแสดงไว้ในปัญจพิกขุคือภิกษุห้าองค์องค์หนึ่ง หนักแน่นในการรักษาตาอูหนึ่งหนักแน่นในการรักษาหูแต่และองค์งหนักแน่นเป็นในอตนะแต่ละอย่างละอย่างตาหูจมูกลิ้น ก, นกายจิตนะี่ท่านก็แสดงไว้แล้วนั่นแหละท่านมีความฉนระมัดระวังอย่างนั้นเองมองเห็นสิ่งใดถ้าเป็นความจงใจในสิ่งนั้นมากแตเป็นกิเลสเป็นส่วนมาก สิ่งที่ไม่สนสิ่งที่ไม่น่าสนใจก็คือธรรมเพราะกิเลสไม่ให้สนใจจริงไม่สนใจในสิ่งที่เป็นสาระขุนแต่กลับไปสนใจในสิ่งที่ไร้สาระแต่เป็นผลของกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่จึงเป็นการลำบากสาหรับการประพฤติธปฏิบัติธรรมรเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจอย่าเสื่อมอย่าคลาอย่าชินอย่าชาในการระมัดระวังรักษาตัว เพราะกิเลสไม่เคยชินชาต่อผู้ใดทั้งนั้นกิเลสเป็นกิเลสบันญัติําความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นกิเลสบัญญัติําไม่มีความชินต่อผู้ใดแต่การปฏิบัติธรรมนี้กิเลสมักจะแทรกความชินเข้าไปความชินชาแล้วก็ให้เกิดเป็นความท้อถอยอ่อนแอความนอนใจนะักเป็นเรื่องของกิเลสแทรกแก้กเราไม่รู้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะรู้กัน จึงของให้พากันตั้งอกตั้งใจระมัดระวังรักษาตัวเองจะเห็นสิ่งใดที่มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมที่เรากําลังปฏิบัติบําเพ็ญอยู่นี้ต้องฝากเป็นฝากตายกับธรรมอย่างนั่นแหละจิตใจจึงจะมีความสงบรลมเย็นาศาสนธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกมาเป็นจริยาว่าคําสั่งสอนนี้เป็นประเภทหนึ่งที่ธทำแ ท, แท้ๆนั้นเป็นอีกประเภทหนึ่ง ปรากฏอยู่ในพระทัยและใจของท่านผู้สิ้นเชื่อเท่านั้นในบรรดาธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆนีเน่เรื่องของธรรมทั้งหลายเหล่านี้กับศาสนาธรรมเนี่ยกมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเรียกว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจา้าคือตลาดแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย จนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานสดสดร้อนๆอนอยู่กับาศาสนธรรมนี้ไม่เป็นอื่นถ้าผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักาศาสนธรรมนี้แล้วยังไงก็เท่ากับว่าก้าวเดินไปอยู่โดยลๆๆๆําดับลําลาเช่นเดียวกับตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปนั่นแหละไม่ได้ห่างไกลเลยถ้านอกเหนือไปจากการประพฤติปฏิบัติตให้ถูกต้องตามนี้แล้วแม้จะอยู่ใกล้ชิดติดพันกับพระพุทธเจ้า ก็เป็นพระหนึ่งว่าเดีหันหลังให้พระองค์เดินคนละซีบละทางไปเข้ากันไม่ได้เลยนี่หลักสําคัญอยู่ที่ตรงนี้ผมขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่ามีความชินชาต่อการบำเพ็ญของตนคือความอย่าชินชาต่อกิเลสที่เป็นค่าศึกคอยกระซิบกระซาดอยู่ภายในจิตใจของเราตลอดเวลานั่นแหละเป็นสาคัญ มีสติเราจะทราบความกระซิบกระซาบของจิตเรศความถุดความลากถ้าหยาบออกมาก็เรียกว่าฉุดว่าลากทาระยดก็เรียกว่ากระซิบกระซาบให้เป็นความรู้สึกนี่บิบยับยับคิดอยากอันนั้นคิดอยากอันนี้นั่นแหละเป็นความส่วนละเอียดของมันเป็นอยู่ภายในแต่เราไม่รู้นี่เหรอการปฏิบัติทีนี้เมื่อเราก็อยู่ในทํากลางแห่ง ตลาดแห่งวังงงผ ล, ผลนธพานคือศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี่ด้วยแล้วโดยความเป็นนักบวชนักปฏิบัตินี่แต่ไม่ได้ทรงมากทรงผลแม้แต่ขั้นสมาธิขึ้นไปนี้มันเกินเหตุเกินผลเกินคคิดความอ่านของคนทั่วไปจะคิดได้อ่านได้เพราะ ชาตินรรมของพระเจ้าเป็นของที่แน่นอนไม่มีความเป็นอื่นแต่เราประพฤติปฏิบัติแม้เพียงความสงบนิดหนึ่งภายในจิตใจพอจะเป็นสมบัติของตนก็ได้ชมบ้างเป็นการป็นเวลาหรือได้ชมในสมถะธรรมคือความสงบใจเป็นพื้นฐานของใจก็ยังไม่ได้แล้วก็แสดงว่าเหล่านี้ เราอย า, อยากจะพูดว่ามันเลยเลวเลยอะไรไปหาคุณค่ามาได้เลยไม่สมเจตนาที่เรามาบวชในพระพุทธศาสนานี้แม่นิดหนึ่งเลยมันขัดมันแย้งกันถึงขนาดนั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี่ด้วยการบําเพ็ญแต่ไม่ได้ปรากฏผลแห่งการบําเพ็ญมีสมาธิ หรือความสงบใจเป็นต้นปรากฏขึ้นภายในจิตใจนี้รู้สึกว่ามันเกินเหตุเกินผลเกินเราเสียทุกอย่างขึ้นชื่อว่าทาที่ควรจะคาด ถ, ถึงว่าน่าจะได้ผลอย่างนี้แล้วกลับตลบพัดไปหมดนี้เรานี่แหละเป็นผู้เลวกว่าใครๆทั้งหมดเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติ จากความเป็นนักบวชของเราแต่ผลที่พึงได้รับเป็นศักดิ์คุพยานในการบำเพ็ญท่องตนนี้ไม่ปรากฏเลยนี้มันพิลึกกึือเอาเกินไปขอให้ท่านทั้งหลายจงจําเาข้อนี้เอาไว้อย่างไรต้องให้ได้ส่งตลาดในมรรคผลอิพานก็ตั้งแต่ความสงบนี้แหละขึ้นไป ส, สงบเริ่มสงบนั่นเริ่มปรากฏผลแล้วสงบละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งปรากฏผลเด่น รวกระทั่งถึง ข, ขั้นปัญญาบริมุตตหลุดพ้นนั่นแลคือมรรคุณิพานจากสา ธ, าธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศตรงวานมาแล้ว2 5 0ันปีนี้แล้วเหียกว่าผลสมกับชื่อกับนามของของเราที่เป็นนักปฏิบัติจากความเป็นนักบวชมาด้วยดีแล้วเพราะเพศนี้เป็นเพศที่ว่างที่สุดเป็นเพศที่ใครก็ให้เกียรติ เฉพาะชาวพูดท่องเรานี่ให้เกียรติทั่วประเทศแม้ทางราชการงานเมืองก็ให้ความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มาแตะต้องไม่มายุ่งเปิดโอกาสให้บําเพ็ญเต็มสติกําลังความสามารถของผู้เป็นนักบวชนั่นแหละทุกๆกรายไปแต่เราเป็นผู้เป็นลักบวชและเป็นนักปฏิบัติไม่ปรากฏผลเพียงแม้แต่ความสงบเลยนี้มันพิลิกเอาเสียเกินคาดเกินหมาย ขอให้คิดในข้อนี้ให้มากทําไมจึงสงบไม่ได้บ่อเพราะการรักษาตัวไม่ได้นั่นเองรักษาใจไม่ได้ใจจริงต้องวอกแวกคอนแคลนหาแต่ปืนแต่ไฟมาเผาไหม้ตนเองจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่มีการปิดการกั้นกันบ้างเลยใจก็อยากอะไรก็พุ่งออกมาทางตาอยากอะไรก็พุ่งมาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่มี ช่องที่ปิดไว้บ้างเลยนี่มันเป็นยังไงให้พากันพิจารณาก่อนี้ถ้าว่าเราได้ปิดช่องเหล่านี้ไว้บ้างมีความสังรวมระวังจิตมีสติระคับประความอยู่แล้วทําไมจะสงบไม่ได้ไม่มีต้องสงบโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้เราอ่อนแอท้อแท้ในการที่จะระมัดระวังรักษาตัวเองที่ว่าสังวรธรรมคือสังวรวมตนอยู่ด้วยสติรักษาใจ มาให้คิดจะสายไปในสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่เป็นภัยก็ประกาศกังวันมาตั้งแต่วันประพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทําไมเราจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยมีประจําศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่วันตรัสรู้และทั้งจดจารึกมาก็จดจารึกเอาสิ่งที่มีที่เป็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนมาแล้วมาทางนั้นว่าสิ่งนั้นเป็นภัยสิ่งนี้เป็นภัยเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ลูกเสียงตลิ่นรถ เครื่องสัมผัสเหล่านี้เป็นยังไงมีไหมในธรรมะของระพุทธเจ้ารูปชนิดใดเป็นภัยรูปชนิดใดไม่เป็นภัยเสียงชนิดใดเป็นภัยปิ่นรถเครื่องสัมผัสชนิดใดเป็นภัยไม่เป็นภัยบอกไว้แล้วอย่างสมบูรณ์ในหลักศาสนาธรรมเหตุใดเราเหตุใดเราจรึงคัดจึงเลือกไม่ได้เหตุใดเราจรึงปัดจึงหลบหลีกมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมเราได้ยินได้ฟังมาด้วยกัน ปฏิบัติมาด้วยกันปฏิบัติยังไงถ้าไม่ปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติยังไงหรือว่าเพื่อกวาดสิ่งเหล่านี้เข้ามาเผาตัวเองอย่างนั้นหรอถ้าเป็นอย่างนั้นไม่เรียกว่าการปฏิบัติสัตว์ที่เลี้ยงฉันเขาไม่มีทําในใจก็เป็นเช่นเดียวกับเราที่ไม่ปฏิบัติในสังวรธรรมภายในตัวเองนั่นแหละไม่ได้ผิดกันอะไรเลยเราจะไปคิดถึงเรื่องเพศนักบวชเฉยๆต้องคิดถึงหน้าที่การงาน ที่ดำเนินตามศาสนาธรรมของพระเจ้าหรือไม่หากได้ดำเนินตามแล้วผลอย่างน้อยคือความสงบใจต้องมีนี่เป็นพื้นฐานสาคัญที่นักปฏิบัติเราจะต้องได้ความสงบสมาธิจากนั้นก็พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาดังที่เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วนั้นหากไม่ได้พยายามทาอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จะหมดหมดไปในตัวของเราเนี่ย คาว่ายุคปัจจุบัยก็ไม่ได้นอกเหนือไปจากตัวของเราเองยุคไหนสมัยไหนวันไหนเดือนใดปีใดสถานที่ใดก็มีแต่ความประมาทเล่นเล่อ เ, เพ้อตัวอยู่ตลอดเวลาหากความระมัดระวังตั้งสติคิดด้วยปัญญาไม่ได้นี่เรียกว่าเป็นผู้คลผู้ล้าสมัยต่อธรรมทั้งหลายในที่เลียดหยิบย่ําทำลายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ไม่สมควรแก่ความเป็นนักบวชของเราเลยขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้ดี ผมสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจสอนด้วยความถึงใจเพราะได้เคยสู้กับกิเลสก็สู้มาแบบนี้หากจะเกิดอัดเกิดทำก็เกิดด้วยวิธีนี้ไม่ได้เกิดด้วยวิธีอื่นจึงนําวิธีอื่นอย่างแบบแเลาะเะและแมาสอนไม่ได้เพราะไม่ทําทั้งหลายไม่ได้เกิดจากความเลาะเลาะและและถูกเอาเผากินอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปเพราะค่าเวลาไปค่าเดือนค่าปีไป พิเลศฆ่าหัวเราหัวใจเราเราไม่ได้คิดอันนี้มันเป็นความเสียหายอย่างยิ่งเราไม่ได้ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทาอย่างนั้นพระองค์เองก็ไม่เคยบําเพ็ญอย่างนั้นมาแล้วดูสิพระประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกออกฉเฉด็จออกสงพนวดเด็ดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ขณะที่ฉเฉด็จออกสงพนว่รดูที่พระราชาโอรสลาหุนกับพระชายา มีคุณค่าขนาดไหนอะไรจะมีคุณค่ายิ่งกว่าทั้งสองพระองค์นี้พระองค์ไม่ได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมไปมองเลยทั้งๆ ท, ที่อยากเสด็จเข้าไปชมพระราชโอรสคือพระราหุลก็กลัวจะเป็นภัยต่อการเสด็จออกบําเพ็ญของพระองค์ยิ่งไม่เสด็จเข้าไปตัดพระไทยออกนี่เด็ดใหม่ต่างสิ่งนะอย่าคนทั้งหลาย เคยเห็นไหมว่าออกเวลาออกบวชได้ฉกได้ยขโมยไปเ ง, ยเงียบๆถึงขนาดที่เป็นกษัตริย์เช่นนั้นได้ทำแบบคนอนาถายังเคยมีไหมแต่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเต็มพระองค์ด้วยวิธีการนี้ไม่ให้ใครทราบเลยมีพระฉันฉันนาอมาต์เท่านั้นปิดตาฟังซิเด็ดไหมเราฟังไปโดยลาดับนี่ละจัดรราของเราแบบแผนของเราที่จะก้าวเดินให้สมกับว่าพุทธังสนังกฐามี ถึงพระองค์เป็นเสนน่หะ์ถึงอย่างนี้สิดูแบบแผนสำหรับลณาแสดงว่าอย่างไรนั่นแหละคือทางก้าวเดินของพระองค์ประหนึ่งว่าให้มาตามตถาคุให้มาตามตถาคุเวลาเสด็จเข้าไปอยู่ในป่าในเขาทุกยากลำบากแค่ไหนในป่าในเขาใครจะไปยินดีใครจะในเพศของฤาษีดาบทอย่างนั้นเพราะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระก็ต้องเป็นฤาษีดาบทไปตามความนิยมของคนในสมัยนั้นๆน น, นั่นแหละ สเสวยพระกระยาหารเป็นยังไงในตำราก็มีแล้วจนถึงจะทรงอาเเียนออกมาทั้งทั้งที่ยังไม่ได้สเสวยก็จะอาเจียนออกมาแล้วเป็นยังไงพระองค์ก็ดัดพระองค์ล ง, ลงสู่สภาพธรรมะหลักธรรมาชาติจงเข้ากันได้ปรับเข้ากันได้แล้วทรงบำเพ็ญมาเลื่อนจนได้ตรัสรู้วันที่จะตรัสรู้นั้นเอาอีกในขณะที่ทรงบำเพ็ญอยู่ ถึงขั้นสลบสะไหลนี้ก็เราก็ได้เห็นเด็ดไหมไม่เด็ดสลบได้ยังไงถ้าไม่ฟื้นก็าตายเท่านั้นไม่เรียกว่าเด็ดได้ยังไงเด็ดขาดขนาดไหนเด็ดเดียวขนาดไหนปฏิดาของพวกเราแล้ววันที่จะระตัดสลู้ก็เหมือนกันประทับใต้ร่มโพตั้งสงตั้งสัจจิฐานขึ้นในสถานที่นั้นเวลานั้นจะให้ตรัสลูในสถานที่นี่แห่งเดียวนี่หนึ่งถ้ามันระตัดสลูแล้ว ก็ต้องตายในสถานที่นี้การที่จะยอมลูกจากสถานที่นี้ไปแบบแบบโมคาบรุนนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วสําหรับศรีตถาลราชกุมารคนนี้นะแล้วทรงเด็ดขาดไม่ฟังที่ะจนกระทั่งได้ตรัสรู้หากว่าพระองค์แม้จะตรัสรู้แล้วนั้นคือป่าช้าของพระองค์ในสถานที่นั้นๆในสถานที่นั้นนั่นแหละไม่เป็นสถานที่อื่นใดนะแต่นี้ได้ตรัสรู้แล้วจึงได้เสด็จออกโปรดสัตว์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายตัววันนี้เด็ดไม้พิจารณาเลยนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้า ที่เด็ดปรากฏขึ้นในพระเทศไทยปรากฏขึ้นมาจากวิธีการที่เด็ดขาดๆทั้งนั้นกับกิเลสต้องเอาให้หนักเพราะกิเลสไม่มีตัวไหนที่มีความอ่อนแอทอแท้เหลวไหลเหมือนพวกเราบําเพ็ญธรรมความอ่อนแอของการบำเพ็ญธรรมคือเรื่องของกิเลสทําให้อ่อนแอทางด้านธรรมะแต่กิเลสมีความเข้มแข็งอยู่ภายในตัวของมันเองโดยลําดับลําดากล้คิดติดพันกับจิตกับใจของเราพรระหืออาการต่างๆมีแต่เรื่องของกิเลสแทรกซึอมอยู่หมด ถ้าจะว่าเม็ดินเม็ดรายกระทุกเม็ดหินเม็ดายไม่ไม่มีเว้นเลยว่ากิเลสจะไม่แทรกใจของเราทั้งดวงนี่คือคือกิเลสทางนั้นหุ้มห่ออยู่หมดแสดงอากัปกิเิยาอันใดออกมามีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องกิเลสความรู้แห่งธรรมที่จะได้รู้เหตุรู้ผลยิบยิเยบเย็ในขนาดที่กิเลสแสดงตัวออกมานั้นมันไม่มีมันมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกมาเราจึงไม่รู้เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่ง ในเวลามันมืดมันมือดอย่างนั้นหัวใจดวงนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พยายามให้พยายามตั้งสติเนี่ยสตินี่เป็นประโยคประทม ม, มัอย่าที่หนึ่งแห่งการบำเพ็ญแห่งการก้าวเดินของเรานี่สติเป็นสำคัญ มเมื่อตั้งสติลงไปในจุดใดจุดนั้นจะปรากฏความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกนั้นจะเป็นความรู้สึกทั้งแง่ธรรมะทั้งแง่กิเลสขึ้นมาเพราะทั้งทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นแต่ไม่มีสติทราบไม่ได้กิเลสเต็มหัวใจก็ไม่ทราบธรรมะจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะกิเลสบีบบังคับเอาไว้กั้นปิดกั้นเอาไว้ถึงรู้ไม่ได้เมื่อสติยั่งเข้าไปแล้วเรียกก็เปิดทางเริ่มรู้เริ่มรู้เ ร, เ, ร เ, ร careful, เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจจิต ก, ก็ เริ่มจะสงบตัวได้ถ้ามีสตินี่เรื่องทา ง, ทางเดินของธรรมเดินอย่างนี้ถ้าไม่มีสติแล้วไม่มีทางออกของธรรมที่จะให้รู้เรื่องของตัวเองและรู้เรื่องของกิเลสที่มันอยู่ภายในจิตใจซึ่งแสดงออกมาทุกระยะการตองในาติสติให้ดีแล้วพิจารณาในทางด้านปัญญาก็พิจารณา โดยยกธาตุขันธ์นี้เป็นสําคัญขึ้นมาวัยเราท่านท่านนี้หรือวัยใดก็าตามไม่พน้นที่จะต้องพิจารณาเรื่องอาุพหะอาุพังทุกขังนิจังอนาตตาไปไม่พน้นอาุอภหะอายุพังนี้สําคัญมากสําหรับวัยเราท่านท่านพิจารณาแยกธาตุจา ก, ก, กขันธ์เป็นความไม่สวยไม่งามความแปรสภาพดูตั้งแต่ผิวขึ้นเข้าไปจนกระทัง่งถึงภายในรอบตัวทั้งข้างบนข้างล่าง ให้เห็นตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของมันซึ่งไม่ใช่เป็นของสะอาดเลยมีแต่ของสกรปกสรกโสมมทั้งนั้นออกมาจนถึงผิวหนังก็ยังไม่พ้นความสกโป่กโสมมที่เรียกว่าขี้ใครว่าไงนะมันแสดงออกมาเต็มตัวของเราเพราะข้างในมันสปกปรกเมื่อออกมาข้างนอกก็ทาให้โสกโประปันตามกันมนุษย์อยู่ที่ไหนต้องซักต้องเฝ้าต้องทำำํำชาระสะสมไม่งั้นดูไม่ได้อยู่ไม่ได้เห ม, ม็นคลุ้งไปหมด ยิ่งกว่าสินทั้งหลายที่กองกันอยู่เ ข, เขาไม่เป็นอะไรเช่นกองฟืนเขามีความเหม็นคลุ้งที่ตรงไหนมีความสกรปรกส้มหมมที่ตรงไหนถ้าเป็นกองมนุษย์และเอาดูสิหนะ่ะทั้งเป็นๆ น, นี้แหละมันก็เป็นกองป่าช้าผีดิบขึ้นมาอะไรนั้นยิ่งตายด้วยแล้วดูไม่ได้เลยน่ะทําไมเราจรึงฝืนเ อ, อคาความจริงอา น, น้างหนาว่ามันสวยมันนามันน่ารักใครชอบใจมันยีหลังถาวรฝืนไปทําไมฝืนทำมาของบุญลิขิตเอา เราทราบไหมว่าความปืนอันนี้คือเรื่องของกิเลสที่มันฉุดมันลากเรานี่แหละเรื่องกิเลสมันฉุดมันลากมันฉุดลากอย่างนี้ไปฝังจมไปในนั้นแล้วยังฉุดยังลากเข้าไปอีกเรื่อยๆไปนี่คือทางด้านปัญญาพิจารณาอย่างนี้พิจารณาอยู่เรื่อยๆในเวลาที่จะพิจารณาในเวลาที่จะทําความสงบกควายใจมีความสงบด้วยบทธรรมถ้าผู้จะบําเพ็ญผู้จะเริ่มต้นก็มีคําบริกรรมเป็นที่เกาะของจิตถ้าไม่มีเลย กำหนดเอาเฉยเฉยนี่ไปไม่รอดเลรวนเร่เร่นรนรอนไปหมดไม่ทราบว่าจุดไหนเป็นผู้รู้จับไม่ได้รู้หมดทั้งตัวเวลามันออกไปเที่ยวหากินโดยทางกิเลสถูดรากไปไม่รู้เลยรู้อยู่ทั้งตัวนี่แหละแต่เวลามันออกไปกิเลสออกไปหากินพาความรู้นี้ออกไปไม่รู้นะจึงต้องอาศัยคาบุรีกรรมเช่นพุทธโธหรือทําบทใดก็ตามที่ถูกเจดิตริสัยของตนแล้ว นําทําบทนั้นมากํากับใจให้อยู่กับทําบทนั้นโดยเฉพาะเท่านั้นพราหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีมีแต่คําบริกรรมเช่นพุโทโธพุโทโธเป็นต้นกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่มุ่งไม่หวังว่าจะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างไรไม่ต้องคาดต้องคิดให้อยู่กับความรู้เท่านั้นแล้วจิตจะแสดงผลขึ้นมาในงานที่ทํานั่นแหละไม่ออกจากที่อื่นในจุดที่ทํานั่นแหละคือจิตดวงนั้นจะสงบตัวเข้ามาให้เห็นอ่างชัดเจนเพียงจิตสงบเท่านั้น ถ้าผู้ไม่เคยเป็นเลยก็มีความตื่นเต้นมีความปีติยินดีเป็นเพราะเป็นสุขสุขอันนี้ไม่เหมือนสุขอันใดราะฉะนันจริงเกิดความตื่นเต้น น, นคือความสุขที่เกิดขึ้นจากความทั้งอบเพียงเท่านี้เราก็พอให้เป็นอาหารเครื่องดื่มของใจแล้วถ้ายิ่งมีความสงบไปเรื่อยๆใจสบายผู้มีสมาธิเป็นผู้มีความสบาย สบายขั้นนี้ก่อนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะขั้นสูงแล้วมันมันสบายอันนี้ยังไม่จัดว่าเป็นที่สบายตามหลักศาสนธรรมอย่างแท้จริงเพียงเป็นที่พักที่สงบกิตให้ได้ก้าวเดินด้วยทางปัญญาเมื่อได้ก้าวเดินโดยทางปัญญานั่นแหละที่นี่เป็นทางที่จะแก้ที่จะถอบถอนยิเลศความโลภ ก, ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีราคะตัณหาก็ดีมันเต็มอยู่ในหัวใจคุก เข้ากันอยู่กับร่างกายส่วนต่างๆเต็มไปหมดมีตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงความรักความตำหนัดยินดีแทรกอยู่หมดทุกขุมขนของเหล่านี้ทั้งภายในภายนอกปัะจุบันจริงต้องพิจารณาแยกแยะสิ่งเหล่านี้ถ้ามันเห็นตามหลักความเป็นจริงของมันแล้วมันจะได้ถอนตัวเข้าไปโดยหลักธรรมชาติเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้นเป็นอย่างไรแลมันก็ถอนตัวเข้าไปที่เรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นนี้มันยึดเองมั่น แน่นหนามันคงเองอยู่ภายในตัวพราะะฉะนั้นจริงต้องไละแยกไละแยกด้วยปัญญาเพียงเราจะกําหนดถอนออกมาเฉยๆนี่ถอนไม่ได้กิเลสประเภทนี้ลึกลับซับซ้อนมากจึงต้องเลยใช้ปัญญาพิณิพิจารณาคลี่คลายเห็นตามหลักความเป็นจริงของมันหลายครั้งหลายผลหลายตลบทบทวนไม่ต้องกําหนด เ, ลลเวลาลเวลาและเที่ยวที่ทําว่ากี่ได้กี่เที่ยวแก้กันพิจารณากันนั้นถือเป็นอารมณ์เยียบย่างไปมาอยู่ในนั้นด้วยสติปัญญาของเรา แล้วต่อไปก็เกิดความเคยชิน้เป็นธรรมะขึ้นมาความเคยชินนี้คือค่อยคล่องตัวเข้าไปเห็นชัดเข้าไปเรื่องอรูปะอสุปังก็เห็นชัดเรื่องอันิจ้จังความแปรสภาพก็ชัดเรื่องทุกขังคือความเป็นทุกข์ในส่วนร่างกายและจิตใจนี้ก็เป็นก็ชัดอนัตตาหมดทั้งตัวทั้งจิตนี้เอาอะไรเป็นสาระได้ที่ไหนเห็นจิตก็จิตกิเลสฝังอยู่ในนั้นจะเอาเป็นอะไรได้เรียกอนัตตาก็เป็นแบบเดียวกันหมดนั่น นี่แหละเรื่องการพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอยู่นั้นไม่ปล่อยวางไม่ถือการสถานที่เว ล, เวลาเป็นสาคัญยิ่งกว่าการกาหนดการพิจารณาเรื่องของตัวเองนี่คือผู้บำเพ็ญแล้วจิตใจก็จะเบื้องต้นก็จะสงบอย่างที่ว่าด้วยสมาธิต่อมาก็จะมีความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยปัญญา เห็นชัดในสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ในร่างกายนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกไว้เพียงเจสาโลมานาขาตันตาตาโจในเวลาบวชทีแรกคือผมขนเล็บฟันหนังนี่จากนั้นก็ให้ที่คายเข้าไปเนี่ยเอ็นกระดูกเข้าไปเรื่อยๆ เ, เข้าไปนุ่นและจากนั้นเราพิจารณาเองนี่จะแยบคลายยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกไม่นับไม่คำนวณก็ตามแต่มันจะซ่านของมันไปหมดโดยหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติ รู้เห็นของตัวเองเกิดขึ้นภายในตัวเองนั่นแหละเป็นปัญญาประเภทที่ถอดถอนกิเลสไปโดยลําดับ ล, ลาําดาคําว่ากิเลสก็คือความเจ้าหมองมือตื้อที่สร้างความทุกข์ให้สัตว์โลกได้รับอยู่ทั่วหน้ากันไม่เว้นแม้รายเดียวนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นนั่นเทเรวกิเลสสร้างแต่กองทุกข์จะสร้างอย่างอื่นไม่สร้างกิเลสสร้างแต่กองทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายนั้นสร้างแต่ความลรุ่มหลงก็คือกิเลสเน่ย กองทุกข์คือผลของมันก็เป็นกิเลสก็ก็ออกมาจากกิเลสนั่นแหละเป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าสมุทัยคือผู้ผลขวัญหากองทุกข์ก็มาจากกิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่กุนขวัญหามาได้แล้วก็เผาเราไม่ได้เผากิเลสถ้ามันเผาตัวของเราเผาใจของเราให้รับความทุกข์ความบากนี่ท่านจึ่งสอนในเรื่องมารคมารคคืออะไรสัมมาสติพิจารณาและลึกชอบอยู่ในภายในร่างกายของเรากายได้ก็ตามถ้าเรื่องพิจารณาให้เป็นอัตติธรรม แล้วเป็นมรดกได้ทั้งนั้นไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในเป็นมรดกได้หมดถ้าพิจารณาในทางผูกพันแล้วก็เป็นสมุทายได้ทั้งภายนอกภายน์ในเช่นตัวของเราเราสําคัญว่าสวยว่างามสงวนรักษาเพื่อความสวยความงามของตนอันนี้เป็นเรื่องของสมุทัยล้นล้วนแต่เราพิจารณาเรื่องภายนอกเราพิจารณาเรื่องความไม่สวยไม่งามด้วยความแตกกระจัดกระจายทําลายเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟไปนั้นก็เรื่องเป็นเรื่องของมรดกได้หมดีการพิจารณา ไม่ไม่มีคำขอบไม่มีขอบเขตนี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาคอยพากันตั้งอกตั้งใจมาอยู่นี่ก็มากต่อมากจนไม่มีที่อยู่แล้วซาลาเลยกลายเป็นกุฏิของท้าปัจจเจ้วนี่ก็ฟังดิผมก็พยายามแนะนำสั่งสอนตามสดิกําลังความสามารถของตนได้เท่านี้จะให้มากกว่านี้ผมก็สอนไม่ได้แล้วเวลานี้ธาตุขันก็อ่อนลงไปทุกวันทุกวัน ท่านผู้มาอยู่ก็พึงคํานึงถึงการมาของตนผู้รับไม่กรับไว้ได้ความสงสารและผู้อยู่ก็ให้พึงรู้จักประมาณในการอยู่ควรจะอยู่ขนาดไหนควรจะไปเวลาใดเพราะไม่ได้อยู่ในสํานักนี้เนี่ยเป็นราคันตุ ก, กะคือผู้จรมาก็ให้พึงทราบกําหนดเรื่องเวลาเวลาที่เหมาะสมของตนเองจะใหไ้ไล่ออกเวลาเข้ามาก็ั้ง่ายเวลาจะไปนั้นยากไม่ถูกเป็นคน ไม่เห็นแต่ตัวอันนี้ก็เป็นกิเลสแทรกเข้ากาผู้อื่นก็อยู่ไม่ได้เพราะวัดนี้มีพอดีเหมือนกับน้ำที่เต็มแก้วเทเอาน้ําที่ไหนมาเทมันก็ล้นออกหมดไหลออกหมดนั่นแหละวัดนี้มันเต็มแล้วมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็ต้องล้นต้องไหลออกไปเราก็ต้องรู้อย่างนั้นผู้มาอยู่ก็ดีให้รู้จักประมาณเ <c oughs> อ, อกไปก็ให้ไปบปําเพ็ญตนในสถานที่ใดทําจะเกิดให้เจาะแสวงหาในฐานที่นั้น สถานที่ใดที่เลตจะเกิดให้ระมัดระวังอย่ามีความชินชาอย่าเป็นพระธรรมสมัยอย่างที่เขาออกในนิพพิมนก็น่าทุเลต น, นะโอ้อ่างที่พูดนั่นแหละดังที่เทศผิดไปที่ตรงไหนเทศเกี่ยวกับเรื่องเทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอสุดท้ายมันก็มาประกาศออกมาอย่างโอ้อย่างน่าอายเหลือเกินแบบมุดดินลงลึกพระของเรานี่ยสรงสูงตัวเป็นโจรเป็นมารเราจะฉกรัจ ถึงเหล่านี้แหละนนี่เราขอพูดเพียงย่อๆเท่านั้นคงว่าพระตัางกันเป็นยังไงถึงต้องไปทําอุจจาระตาที่มนหาแน้นดูไม่ได้เลยนี่นี่เพราะความอยากอยากจนลืมอ่ารลืมทําอยากจนหน้าด้านอยากจนหาความอายนไม่ได้เลยความอยากดูอยากเห็นอยากให้เป็นเหมือนดั่างชาวโลกเขาโลกเข า, เขามีเขาอยากมีเราไม่ใช้โลกเราเป็นพระเราเป็นธรรม แล้วอาศัยทำอยู่กินอยู่หลับนอนกับธรรมพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมแล้วเอาโลกเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างนั้นมันไม่ถูกมี่ก็ยังสั่สา ะ, ะแสวงหามาได้ดังไม่อายใครเลยนี่มันเกินไปพระเรานี่แหละที่ทำให้ศาสนาเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปก็พุทธบริษัทนั่นแหละหลัลงพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วว่าผู้ที่จะทําศาสนาให้เสื่อมก็ดีให้จเจริญก็ดีจะเป็นใครที่ไหนไปนอกจากพุทธบริษัทนี้เท่านั้นคือพิกจุอุบาสกสิกา พระละาวาดญาตโยมกับพระนี่เท่านั้นแหละพระเนรทังเรานี่ที่จะทําให้เจริญก็ดีทําให้เสื่อมก็ดีแต่เวลานี้มันมักจะมีแต่ทาให้เสื่อมทําให้คิปหายเลยสิที่จะทําให้เจริญไม่พอมีเช่นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มันเป็นเรื่องความคิปหายเหมือนกับไฟเผาโลกกันเองแล้วเอามาเผาทำไมเผาวัดเผาวา เ, าเผาพ้าเผาเนรเผาหัวตัวเองมันมีอย่างหรือเราก็รู้ด้วยกันทุกคนมีตามแบบตามฉบับอยู่แล้วธรรมะท่านสอนไว้หมดแล้วทำไมจึงหน้าดืนะ้อน้าด่าง ไ, ไปเสาะไปแสวงหามาสิ่งเหล่านี้ นี่แหละที่ว่าทำลายศาสนาก็คือทำลายอย่างนี้เองจะไปทำลายที่ไหนศา ส, สนาเป็นของส่วนรวมที่ชาพุทธของเราทั้งหลายได้นับถือเมื่อเป็นผู้นหนึ่งทำความเสียหายึ้นมาก็ต้องกระเทือนกันหมดทั้งประเทศที่ซึ่งเป็นชาพุทธด้วยกันนี่แหละเห็นกันอยู่แล้วอย่างนี้มันเป็ของดีเมื่ อ, อไหร่ทา่านสอนให้หลบให้หลีกทำท่านสอนให้หลบให้หลีกไม่กล้าให้หาน สิ่งที่พูดแล้วเหมือนอย่างที่พูดแล้วตะ ก, กินนี้สิ่งไม่ควรดูอยาดูสิ่งไม่ควรฟังยาฟังเช่นอย่างนี้เป็นของควรดูเมื่อไหร่เป็นของควฟังเมื่อไหร่เป็นของควรสัมผัสถูกต้องมันได้เมื่อไหร่เป็นของเป็นของที่ควรสนใจไม่ได้เลยนอกจากปัดออกปัดออกปัดออกโดยลำหนักไม่มาผ่านเลยทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้แต่จิตยังไม่ให้กิดเลยเรื่องเหล่านี้ทําไมเราจึงต้องไปเสาะแสวงหาเอามาเผาศาสนาของคนทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศให้ชิบหาย ร่วมจมไปตามกันเพราะเราเพียงคนเดียวรายเดียวนี่มันสําคัญหรือเราเพราะเราก็เ พ, พราะพระนี่ซะด้วยนะเ พ, พราะพระเราเนี่ยมันอุจารขนาดไหนพี่นายยาปลนขนาดไหนขอให้ท่านทั้งหลายฟังไว้จังไปสอนนี้สอนเพื่อนทั้งหลายผู้ที่มาศึกษาอบรมอยู่ในสถานที่นี้ให้ได้รู้สึกตัวอย่าให้เป็นดังที่เคยเป็นมาแล้วภายนอกนั้นย้าให้มากลับมาเป็นเรื่องตัวเองซะเองให้มีความยาขยันขยง อากิเลตมันต้องการเราให้หักกิเลตเอาให้อย่างแรงเอาให้กิเลตคอขาทุกทีทีเดียร น, นี้มันมีแต่กิเลตเอาเราคอขาดนะอืถูกลากถูกไถไปออ้ยทุกแบบทุกแผนหน้าสลดสังเรวช น, นะเวลานี้ศาสนาเลยจะมีแต่ชื่อในตําลับตําราเท่านั้นแหละในความประพฤติปฏิบัติของผู้นับถิอศาสนานี่มันจะไม่มีเวลานี้น่ะค่อยหมดไปหมดไปออเรื่องผ้าเหลืองก็เคยพูดแล้วมีถมไปตามร้านตามตลาด อยู่ที่ไหนก็มีอันนั้นเป็นเครื่องประกาศให้โลกเขาทราบว่าเราคือนักบวชที่ทรงผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมปากไม่ใช่ผู้ทูลูทูกังไม่มีหีดีอดตะปะภายในจิตใจเพศนี้เป็นเพศที่มีหีดีอดตะปะอย่างยิ่งคือพระพุทธเจ้าและสาจจะคือศาสจะองค์เอกตลอดทั้งสาวกทั้งหลายทุกๆพระองค์เป็นเพศที่มีหีดีอดตะปะเป็นเพศที่มีเหตุมีผลทั้งนั้นคล้องผ้ากาสาวพัดนี้ แล้วพวกเรามาคลองมันทำไมจึงเป็นเทพเพพเทวทัศน์ไปได้เทวทัศตประวงก็ก็ตําหนิทำทั้งกรตําหนิอยู่แล้วแล้วทํำไมเราจึงมาสมัครเป็นได้อย่งทั้งที่ก็รู้อยู่สิ่งเหล่านี้ให้จํำมานะทุกทุกทุกองค์ทุกองค์ที่มาศึกษาอบรมอยู่ที่นี่อย่าให้มีเป็นอันขาดนะถ้าไม่อยากคอขาดบาดตายแล้วก็อย่าอย่าให้มีถ้าองค์ไหนกล้าแล้วเอาเถอะว่างั้นเลยหมดถ้าเป็นสัตว์ก็มีเจ้าของ เพราะแต่จะขึ้นเขียงเท่านั้นเอง <c oughs> อศาสนาร่วมมาเพียงตอนนี้มันก็น่าทุเล็ดนะมองไปมองไปแม้แต่ในวัดเหล่านี้ไม่ว่าที่อื่นที่ใดไม่มีด้วยเจตนาก็ตามสิ่งที่เป็นทิเล็มันก็ต้องเป็นทุเล็บ้านย่าค่ำสิ่งที่หน้าติมันก็ต้องเลติอยู่นั่นแหละสิ่งที่มันขวางมันต้องขวางต้องเลตุด่าว่าเก่าวกันอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างนี้เองจึงให้ระมัดระวงังความไม่มีความไม่มีเจตนาจะไม่เป็นทิเล็ดได้หรือมันเป็นทิเล็ดได้มันขวางได้ จึงต้องได women, ้ระวัตระวังกันให้สอนสติเข้าไปให้ได้รู้สิ่งสิ่งที่ไม่มีเจตนานั่นมันขิดหรือถูกนั่นทำไมฉะนั้นไม่ได้นไงโอ้หมดไปหมดไปแต่ classy, นาะฟังจะ่ BJ, โอ้โหโอ้โหเถอะมันกดอุทานในใจไม่ได้น่ะขอตามีหูมีใจมีมันอดคิดไม่ได้ตาทั้งวันมันสัมปัตสัมพันธ์อยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยโอ จมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์ใจมันคิดอยู่ตลอดเวลาคิดเนี่ยใดมันก็คิดอยู่ตลอดทําไมจะไม่ทราบเหตุทราบผลเรื่องความดีความชั่วผิดถูกต่างๆของโลกของภายนอกภายในละ่ะมันต้องคิดมันต้องรู้อยู่โดยดีแหละผมขอให้ท่านทั้งหลายระมัดระวังนะสิ่งวันนี้จะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วอย่างไรแล้วย่งจะเต็มบ้าเต็มมาอีกก็หมดละศา ส, สนาพุทธเราในเรื่องชาวบ้านเราไม่ได้ว่าละ่ะมันเรื่องของเขานี่เราสอนพระของเรา เนื้วพระกับเป็นพระกรรมาฐานซะด้วยจึงต้องสอนลงอย่างเด็ดขาดถ้าผู้ตั้งใจมุ่งอัดมุ่งทำจริงๆแล้วเด็ดขาดยามีให้มีเป็นอันขาดฟังเลยฟังว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเลยให้ปฏิบัติอย่างนั้นทีเดียวถ้าใครยังดื้อย่างด้านยังหันทำไปแล้วก็บอกว่าหาหลวงมาไว้เลยเผากันทั้งเป็นเลยล่ะพระองค์นั้นจะเอาไว้เลยมันหนักศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่ในวัดใดก็ให้เผาไปเลยวัดอย่างไมมีเหลือเลยถ้าลงมีพวกเทวทัศน์วิดีโอนี่เข้าไป ตัววิดีโอนี้สําคัญมากนะแหมนรกจบเกรดเต็มในนั้นหมดเรื่องต่างๆนา น, นาทั่วโลกนั่นแหละดินแดนนะ่ะมันรวมเข้ามาในวิดีโอนั้นหมดเรื่องราวที่เกิดมาจากบ้านไหนเมืองใดมาจากเมืองนอกเมืองในไม่สําคัญมาได้หมดมาเผาทั้งหมดนี่ต้นเหตุก็คือเทวทัศน์โทรทัศน์เป็นฐานที่ตั้งของสิ่งเหล่านี้จะมากองอย่างนี้เหระเผา ว, วัดเภาวะหมดละ ที่อุตส่าไม่มีเมื่อมันด้านจริงๆแล้วก็เหมือนส้นเท้าเป็นยังไงส้นเท้าลงมันด้านแล้วมันไม่เหมือนหนังที่ละเอียดนะหนังอ่อนหนังละเอียดเป็นอย่างหนึ่งถูกอะไรก็เจ็บก็ะปวดแสบรอ้อนอย่างรวดเร็วแต่อหนังเท้านี่ส้นเท้านี่ไม่นะเอมันด้านขนาดนั้นจายของของพระเนนเร า, ถ, าถ้าลงได้เป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละเป็นพระเนนส้นเท้ามันด้านนี้กว่านั้น แล้วก็ทำลายไปเรื่อยๆจัสนาทําลายจิตใจประชาชนชาวพุทธให้ล่มจมทิพยายไปตามๆกันเพราะการ ท, ทําของตนนั่นแหละนี่จึงให้ขอให้ภาคันชิดให้มากนะเรื่องเหล่านี้นะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่เขากระว่ากาดังคืบพิมพ์ฮะให้เห็นเป็นพยามที่เราสอนไปแล้วเราได้อ่านดูแล้วโอ้หน้าสลดสังเวชนะเลยเป็นแจ้งโจนเข้าไว้จุกลักสิ่งเหล่านี้เข้ามาในวัดในวาเขา วัดเสาว่าเออนาทุเรกเอาละตอนนี้พอหนูวันะมันเทศยากแนละ้วไม่เหมือนแต่ก่อนนะเห็นไหมเป็นหน้าเป็นหลังอะไรก็บยังที่ฟังนี่แหละหลงหน้าลงหลังอะไรไปก่อนไม่ได้เรื่องแล้วก็ต้องเลยมาเทศอยู่นั่นนะเพราะพระเนรเต็มวัดเห ม, มอือนว่าไงไหาก็มุ่งมากตอนเช้าก็เลยพูดธรรมะตุวนแนละพูดเบ่งเบ่งบ่งเบ้งแหะไม่ได้พูดมากอะไรนะ วันละประมาณสิบห้านาทีอย่างมากก็ไม่ไม่เลยยี่สิบนาทีเท่านั้นประมาณสิบห้านาทีถูกเยาวๆพวกพวกนี้ไม่ได้ฟังก่อนไม่ยอมกลับไล่ก็ไม่รับมาฟังฟังประเทศใน์ฟังทุกวันทุกวันพูดในฟังทุกเชา้าแต่พูดไม่เช้าันไปเรื่องไหนก็เรื่องไหนนะผมไม่ได้จดจำเพราะไม่เทดต่อความจดจํามีอะไรว่าไปเรื่อยๆจบแล้วหายเงียบไปเลยแล้ววันหลังขึ้นดิบขึ้นไปไหนก็ไม่รู้เลย ผมหลับทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะมันหลับๆตื่นๆอย่อยางงั้นตลอดนะไม่ได้รับนานล่ะมันเป็นตัวมันเองไม่ใช่ไปหลับทีเดียวตลอดถึงเวลาตื่นไปทีเดียวแล้วไม่มีแล้วอย่างนี้แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นนะเพราะผมถ้าถ้า ถ, ถ้าตื่นแล้วผมไม่เคยช้าอีกนะการนอนดัดขนาด น, นั้นนะดั่กแต่ก่อนถ้าเราได้ตื่นแล้วแต่มันมันก็ไม่เคยตื่นทิศเว่าเช่นไป สิงชั่วโมงสองชมงแล้วตื่นนี่ไม่มีผมเนี่ยถ้าหลับแล้วหลับเลยพอตื่นภาพลุกเลยน่าจะไปนอนตีตีสามนี่ก็ตามเงียบเดียวเพอถึงะมันเป็นเวล้างมันจะตื่นนะเพรามันมีนี่เป็นบางวันเป็นกรณีพิเศษบางทีตีสามถึงนอนก็มีทางความเพียรแต่นานๆจะมีทีนึงเพก็ตีมักจะนอนเวลาห้าทุ่มก็ตื่นเอาตีสาม นีเนเนเน่เป็นเวลาเป็นพื้นหน่อยส่วนกรณีพิเศษก็มีบ้างปกติจะนอนห้าทุ่มตื่นมาตีสามถ้าเป็นกรณีพิเศษมันมีตีสองตีสามมันก็มีนอนอีบเท่าน่ะสะดุ้งเลยบางทีนอนไม่หลับลุกไปเด็นกลมเลยเพราะมันถึงเวลามัน มันละมีที่จะจังหวะที่มันจะเป็นอย่างนั้นมันพูดไม่ถูกแหละนั้นนานๆมันจะมีทีนั่งนีไม่ใช่มีติดๆกันเราจึงไม่ไม่ไม่ปรากฏนะว่าเมื่อหลับเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วได้กลับนอนซ้ำหนีผมไม่เคยมีเลยมันมีอันหนึ่งที่ตัดสินกันนะก็เมื่อไม่อีกมันตื่นทําไมเนี่ยมันว่างันนะตื่นแล้วจะไปหาหลอนละเอีกดนี่ เมื่อเมื่อไม่อิ่มมันไม่ตื่นนี่มันตื่นมาทําไมวะแสดงว่าอิ่มแล้วนุกเลยมันมันเป็นจริงๆนะสำหรับผมเองนี่จริงมากนะจริงจังมากจริงๆเด็ดขาดเลยนะถ้าเป็นมะนากับคนเราฝังเลยถ้าว่าปับ๊บเนี่ยขาดไปคนเราฝังไปเลยถ้าเป็นหินหักปุ๊บนี่เอามาต่อไม่ได้ต่อเรซิเวนมันก็เป็นรอยต่อเสียใช่ไหมล่ะนั่นมันเหมือนหินหักขาดปุ๊บ เอามาต่อกันมันก็เป็นรอยต่อเที่จะต่อด้วยซีเมนต์่ต่อด้วยอะไรก็เป็นรอยต่อรอยเชื่อมเสียเนี่ยมันเป็นมันไม่ไม่สนิทเหมือนเนื่องแท้ของมันนี่เป็นยังนงผนว่าเราการฆ่ากิเลนนี่มันม้องขนาดนั่นเละถ้าไม่เด็ดจริงๆมันไม่ได้ถึงขาวเด็ดนี่แหมเด็ดจริงๆนะเด็ดจนไม่มีอะไรเหลือเลยชีวิตก็ก็อมอบเลย ขั้มันเด็กกันยังได้นำมาพูดเลยที่ว่าขึ้นเวทีเสก่อนมันก็รู้กันเองีเรียนมามันไม่ว่าท่านมาเราใครก็เรียนเหมือนกันแต่มันปฏิบตัติมันมันไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติละสิเมื่อนำครูบาอาจารย์เมื่อได้าาไดไ ป, ปฏิบัติตาครูบาอาจารย์ท่านมันพูดนําแล้วมันค่อยจับได้จับไปจับด้ตรงไหนมันจริงตรงนั้นตนั้นเพราะเราตั้งใจไปจับความจริงนี่ออย่างนั้นกับขึ้นเวทีเอยวดัดจำเนี่ยอ๋อ เมันเด็ดมันเด็ดจริงๆพูดไม่ถูกนมันเด็ดอยู่ในหัวใจมันไม่กล้าพูดว่าที่นี้ไหนเป็นมรที่นี้ไหนเป็นสมุทรไทยงี่หว่าเนี่ยเด็ดยังไงเป็นมรอยากที่นี่ไหนเป็นมรอยากที่นิ่ไหนเป็นสมุทรไทยนี่แยกออกได้เลยจริงนี่ความความอยากค้นทุกข์เป็นกําลังนี่มันยิ่มคำคำเพี้ยนให้หนุนตีหูเลยใช่ไหมสมายนี่อยากค้นทุกข์เป็นกําลังอยากติดหัวใจนี่คำเพี้ยนถอยได้ยังไงใช่ไหม นี่ความอย่างนี้เป็นมาร์กนั่นได้ใช่งั้นเหรอเด็กกัปตีเลตเป็นมากเน่ยถ้าตีเลตเด็ดเราเป็นเชื้อเมือเราเด็ดกิเลสเป็นมากนั่นเนั่นบอกมันขึ้นเวทีแล้วมันชัดในหัวใจทุกอย่างทั้งทั้งเหตุเราดำเนินมานี่ถูกต้องแล้วทั้งผลได้รับเป็นที่พอใจแล้วมันก็แม่ทั้งสองทีเพราะว่าขึ้นเวทีขึ้นแล้วมันก็รู้กันเอง อะไรเป็นกิดอะไรเป็นทำอะไรเป็นมรรคอะไรเป็นสมุทัยก็รู้กันเองทิฏฐิถ้าลงภาวนาถ้าไม่ได้มีความสงบแล้วเป็นเถื่นเป็นไฟนะเผาอยู่นั่นมันดีบมันดิ้นเพราะไม่มีอาหารกินมันก็ดิ้นไปหาอาหารที่เป็นทิฏฐิเลยสดิบดิ้นหยุดสงบมันไม่ดีบ ดูสบายละ่ะนักปฏิบัติเราถ้าถ้ามีสมาธิมีความมีความสงบมีเป็นจิตเป็นสมาธิแล้วสบายไม่ค่อยดิบค่อยดิ่งถ้าไม่มีแล้วโอ้โหร้อนดิ่งก่อคารวะเขาโดสายสร้างไปมันเป็นตัวมันเองมันดิบมันดิ่งเพราะมันไม่มีอาหารดื่มภายในทําไม่มีเป็นอาหารความสงบสมาถะธรรม ทางลงไปทางลงไปสงบได้แล้วก็พอสบายพอสบายลืมหูลืมตาได้เลยนะจนกระทั่งมันกล่อมอารมมันสงบมากๆนี่เหมือนกล่อมนะไม่อยากทำงานอะไรเลยเนี่ยอยู่ตั้งแต่ภายในมันแน่วความรู้ที่ละเอียดที่สุดเลยอ่ะ ผุ่มสมาธิคือว่ามันเป็นสมาธิเต็มขั้นว่างั้นเลยสมาธิเต็มขั้นนี้จิตนี้นจะละเอียดเต็มภุมขงสมาธิแนวอันเดียวเท่านั้นไม่อะไรมายุ่งนะตาจะมองเห็นอะไรนี่มันปุ่งยับมันกวนใจนะไปยินอะไรหรือ ไ, ไปคิดเรื่องอะไรนี่มันกวนใจ <Hey. S 1> ความความตึงของจิตนี่เป็นเรื่องกวนใจทั้งนั้นเวลามันสงบเต็มที่ของมันนะมันไม่จะออก มันอยู่ในนั้นไม่มีอะไรกวนแล้วเนี่ยเท่าไรก็ได้อยู่ชั่วโมงมันก็มันก็อยู่ได้เพราะมีอันเดียวถ้าไม่มีอะไรนี่โลกทานเหมือนไ ม, ม่มีอันเดียวที่ละเอียดสุด เ, เวลาให้ออกภาวนาออกข้างหน้าปัญญาไม่อยอมออกบังคับให้ทํ า, าทงานพิจารณาพอพอเผลอแป๊บแป๊บเข้ามาแล้วนะมันไม่ได้ไปที่อื่นนะจิตที่มีสมาธิตเต็ม แล้วตำแหน่งของมันเป็นยังไงนะผมพูดแล้วก็พูดเรื่องจิตเจ้ของเองมันเป็นอยังไนนะงอ ง, อ ง, ง, งั้นยังว่าติดสมาธิเลยสิมันไม่ได้ออกทํางานยุง่งแล้วสุดท้ายมันก็นเลยมีแต่ความดูว่านี่จะนี่แหละจะจ ะ, จะบริสุทธ์ตัวนี้จะบริสุทธ์ตัวนี้จะเป็นนิพพานไม่ได้ยืนนี่สิ น, นิพพานตายมาเลยเจ้าเจ้ามาปิก็สมาธิทั้งขี้ขี้โรคีข่อยขีข้หลงอยู่ในนั่นนี่อ นี่จะไปเป็นที่ผ่านได้มันละเอียดแน่วเพราะันถึงกล้าพูดเลยที่ว่าใครมาโกหกนะเรื่องสมาธิผมว่างนั่นเลยเพราะมันเป็นมันจะเต็มที่อันนี้เมื่อสมาธินี้เมื่อมันเต็มที่แล้วมันก็อิ่มพอนี่นะไม่เลยจากนั้นหว่ะสมาธิก็มีพอเมื่อถึงขั้นเต็มที่แล้วพอให้เลยนั้นไปไม่ได้เึ่นอย่างที่ว่ามันละเอียดสุด หรือว่าอัปปนาสมาธิจะผิดไปไหนวะมันสุดแค่นั้นจะให้เลยก็นั้นไปอยู่ไม่ได้ไม่เลยแน่เนี่ยนั่งไล่ให้ทํางานคือทางด้านปัญญาไม่ได้ทาขี้เกียจคือปุงนั้นปุ่งนี้มันเหมือนออกไปทํางาน่ะมาถอยก็มาปั้มอย่างี้มันไม่ทํางานอยู่สบายสมาธิที่มันเต็มที่แล้วมันติดอย่างนั้นเนะวละออกทางด้านปัญญา ครับถ้าเราทราบได้ชัดแล้วว่าออกทางสมถีสมควรแล้วให้ออกทางหน้าปัญญามันมันก็ออกได้อย่างรวดเร็วแล้วแหละแต่นี้มันมันสู้หน้าของสมาธิไม่ได้ปัญญาพี่นาแล้วอันนี้มันก็มันก็จะเป็นมะขุนนิพพานแล้วนี่เยเฝ้าอย่นั่นเสียอย่างที่เลยพ่อแม่กูก็ไล่ออกอ้าอาสัจจันท์ท่านนะลงท่านทันที วันมาพี่มาดูวันไม่ไมถ้าไม่ใช่ท่านแนละ้วผมนี่ตายอยู่นั่นเนะ่ยออกไม่ได้แนละ้วท่านเอาอยัางเล็กที่เวลาออกสมาธิพอ อ, ออกทางด้านปัญญามันก็ออกเป็นอย่างรวดเร็วเพราะสมาธิมันพอแล้วนี่นะมันเร็วจริงพอออกนี่ออกมันหมุนติ้วเลยนั่นเนีย่ยถ้าว่าสมาธิปริพาวิตาปัญญามหาปราโหติมหันมหนันซังซาเมื่อเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาเดินได้คล่องตัวแต่ทางภาบุิบัติธรรมหาเขาจะปลาหลั นี่แปลสร้างภาพปฏิบัติสางข้าพขอญาติเราก็เลยแปลกันมาแล้วนี่มันพูดทมันกลงเลยเมื่อสมมติมีปัญญาที่มีสมาธิหนุนแล้วมันเดินได้อย่างคล่องตัวคล่องจริงๆเพอาะทาั้งร่ำปัญญานี่มันดีดถึงถึ ง, ถงดีดๆดดได้ไปอย่างรวเดเร็วซะวนยนะเป็นปัญญาไปจริงๆ เพราะมันอิ่มสมาธิคําว่ามันจิตมันอิ่มตัวคือมันไม่ได้ยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คือจิตไม่มีสมาธินี่เวลาออกพิจารณาทั้งบ้านปัญญาอือความหิวความโอยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในอารมณ์ต่างๆนี่มันดึงไปดึงไปมันเป็นสัญญาไปเลยนั่นไม่ได้เป็นปัญญาให้จิตที่เป็นที่มีสมาธิเป็นอาหารแล้วมันอิ่มตัวอิ่มตัวอยู่ในความสงบนี่ออกพิจารณามันก็พิจารณาถ้าออกนั้นมันก็เข้านี้เสียมันไม่จะไปยุ่งกับอะไรอยู่แล้วนี่ นันวันนั้นเห็นชัดๆอย่างนั้นสิการปฏิบัติมันไม่ไดกออกเมื่อพิจารณาทางห้าปัญญามันก็ไปทําเฉพาะปัญญาปัญญานี่เมื่อมันยังว่ายังไม่เห็นผลพอที่จะดูดเป็นเครื่องดูดดื่มมันก็ค่อยแต่จะถอยกข้ามาเป็นสมาหาสมาธินี่เสียพักสบายอยู่านั้นเสียนี่มันไม่ไล้ไปยุ่งกับอารมณ์อะไรเลยเห็ถึงมาหยิบเป็นสมาธิแล้วมันสบายนาหมาแต่มันสบายอย่างนั้นแหละตามขั้น ยังกว่าเราออกทางนั่ปัญญามันเห็นเหตุเห็นผลแล้วที่นี้เอาแล้วนะเนี่ยมันจึงกระจายออกกระจายออกกระจายออกเนี่ยเไมค้นเราจะกลับมาตำหนิสมาธิโอโ้โหโอ้โหนี่ปัญญาเป็นอย่างนี้คือมันแยบครายกันมันละเอียดละออกกันไปเรื่อยๆยเยเห็นชัดๆเนี่ยนะกิีลสตัวไหนบอบอลงไปช้าลงไปกิเลสตัวไหนขาดลงไปมันรู้ชัด ๆ, ๆในหวัวใจนี่นั่นก็กลับมา ต้องมีสมาธิแอ้โหสมาธินี่มันนอนตายเฉยไม่เห็นแก้กิเลสได้ผลปัญญาเนี่ยนี่ก็จะเอาปัญญาท่าเดียวไม่ยอมพักสมาธินี่มันไม่พอดีนะสำหรับผมผมเป็นจริงอย่างนั้นผมก็พูดตามเรื่องความเป็นต่ออกทางลัทธิปัญญาแล้วก็นอหมุนเตี้ยแล้วไม่ยอมเข้าสมาธิหาว่าสมาธินี้ไม่เกิดประโยชน์ฆ่ากิเลสไม่ได้นอนตายเฉยว่างัเงี้ยเสียกิเลสก็เป็นเครื่องเอาสมาธิก็เป็นที่พักของกิตนึนกเขบอกไปแล้วในปริยัตก็มีนี่เนะี่ ที่พักพักแล้วออกทํางานนั่นออกทางานเพื่อการก้าวเดินได้ทางตรมปัญญาไม่พอดีนั่นเราเราเองเป็นอย่างไงถ้าเราติดสมาธิกันถูกก็มแม่หัวใลากออกมันยังจะไม่ออกเนี่ยถ้ามเราออกแล้วมันก็จะไม่สนใจจะเข้าเข้าสมาธิมันหมุนเตี้ยวอะไรมันไม่พอดีนะเวลาเราจะตามกินมากกับข้า แล้วบางมันเข้าสมาธิไม่ได้คืออะไรเคลื่อนไม่เข้านั่นเองมันเพลินกับทางปัญญามันเข้าไม่ได้จะเข้าไม่ได้ยังไงก็สมาธิมันเป็นพื้นอยู่แล้วนี่แต่ว่ามันผลของสมาธิกับผลของทางปัญญามันต่างกันมันต้องหนักทางด้านปัญญาตัวเองไม่อยากออกไมาอยากเข้ามามันจะตายจริงๆแล้วมันก็มาเข้าสมาธิทีหนึ่งบางทีก็ต้องเอาบริกรรมนะดูที่หนาเหมือนกับเราฝึกหัดสมาธิทีแรกนะคําบริกรรมพุทโธพุทโธ ครับไม่งั้นมันจะโดดจะงานมันละงานก็อยู่ในจินแล้วมันไม่ด้ออกไปนู้นไปนี่นะมันอยู่ในจินนั่นแหะแต่มันออกเป็นกิริยานี่สมาธิไม่เป็นกิริยาวะมันอยู่เฉยแต่ถ้าปัญญาแล้วมันเป็นกิริยามันไม่ออกไปอันนั้นทีนี้เวลาคือจะไม่ให้มันออกไปงั้นถ้ามันอยู่นี่เพื่อเพื่อบำรุงจิตใจพัดใจให้มีกําลังอพอละมือท่านมันจะปั๊บเลยทันทีออกตรงนั้นแหละใส่ งานมันเปียงเปียงเลยใส่กันถ้าเป็นป่อยกับป่อยกันเต็มที่ถ้าเป็นยิงก็เปียงเปียงเลยเนี่ยที่ว่าสมาธิปริภัยตาปัญญามหาพลาโหติพานสร้งสางซ่าปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอันิ่งมากใช่าใจไมล่ะปริยัตินั้นมหาดีสร้งสางซ่ามหาพลาโหติมีผลมากมหาสร้งสางซ่ามีอันยิสงมา ก, กว่าง แปลทางภาควัสิทธิ์ปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนย่อมเดินคล่องย่อมเดินคล่องตัวคือมันไม่มันทุ่งพุ่งคล่งองตัวเนี่ยก็ออกจากภาควิสิทธิ์เอาอันนี้มาพูดออกมันคล่องตัวนี่อันนี้สงอะไรแล้วไม่ต้งองคํานึงเอาแต่มันคล่องตัวนี่ภาควิสิทธิ์เองนั่นนะมีผลมากผลอะไรไม่ต้องไม่ต้องไปคํานึ่งละผลมากอันนี้สงมากไม่ต้องไปคํานึงมัน คนหเอาเห็นจะ้าอยู่นี่อ่ะมันคล่องตัวเมื่อมีสมาธิหนุนเนี่มันหมุนคล่องตัวเลยแม่ติดขัดปัญญาเนี่ยเอากระแปลอย่างนี้เลยนี่วางเลปัญญาปริพาวิตังจิตตังชั่มาะเดวะอาเสีหิมุจจะติจิตที่ปัญญาซักฟอกเนี่ยปริภาวิตังอบรมโดยซักฟอกจะรู้ค้นจากที่เด็ทั้งตรงโดยชอบนั่นปัญญา เป็นเ ป, นเปนสร้างพอกต่างๆสมาที่ไม่ได้มาสักพอกให้หลุดพ้นจากกิเลสนี่นะนั่นบอกปัญญานี่สีนเป็นเครื่องหนุนสมาธิให้เกิดสมาธิได้ง่ายเพราะไม่มีความกังวลเนื่องจากไม่ได้คิดและแค่ละคายเพราะสินต้องตนไม่บริสุทธิ์ด้วยด่างเพราะขาดทะลุอะไรไปนี้ไม่ได้ไคิดเป็นกังวลเข้าสมาธิมันไม่เมื่อมไม่มีนิวรณ์มาตั้นกลางแล้วมันก็เข้าได้ง่ายกว่ากันก็หมายว่างั้นฉะนั้นกับ กาถึง้านปัญญาเมื่อมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วเดินได้คล่องตัวเนมันคล่องแล้วก็ไปคล่องปัญญาแล้วก็คล่องไปแก้ยุดเดียดอยู่ในหัวใจละสิถึงว่าปัญญาปริภาวิตังจิต ท, ที่ปัญญาซักพอกแล้วแล้วยจะดูพ้นแต่ดเดียดทั้งตรงโดยชอบเนี่ยหลักพื้นฐานอันสําคัญที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี่ใครจะไปเก่งขนาดไหน เก่งยังไงกับพุทธิเจ้าเระให้เดินลัดไปเลยไม่ต้องทางสมาธิอภิญาปัญญาไปเลยมันตายที่ของปอบคนนั้นไม่เคยภาวนานั่นมันขายเจ้าของเองนะธมาเออคนนั้นไม่ได้เคยภาวนามันบวดลุ่ยเฉยไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องพิจารณาทำสมาธิห่ะเดินปัญญาไปเลยนมันบ้าว่างันเลยผมนีม่พูดได้เต็มปากอาหารด้วยนะ อคนเราทำสมาธิมาแทบเป็นตาตาปัญญาแทบเป็นตาตามาแล้วนี่สิ่งนี้มันถาจะเป็นกรรมมือมอยู่ในกํามือของเราแล้วนี่วางกันใครจะมาอวดได้เลยว่าอันนี้ไม่จริงนี่เปิดมานี่เห็นไหมอย่าวางตาบอดเลยว่างวางอัน <c oughs> ไม่ได้พอนาะนแล้วก็เอาปัญญาไปเลยมีอย่างที่ไหนพูดแบบขายตัวเองบอกชาติบอกคนนี่ไม่เคยพอนาะนมาอวดรู้นั่นรู้ เป็อุคติจันญูก็เป็นอีกประเภทหนึ่งสมาทิคก็ปัญญาของท่านไปพร้อมกันเพราะจวนตัวอยู่แล้วนี่พุง่งพุ่งไปพร้อมกันเลยอยู่ที่สงบนี่มันไม่ได้ยุ่งกับอะไรนี่มันสงบอยู่ในนี้ปัญญาเดินอยู่ในนี้ฟังกรองตามพุทธเจ้าอยู่ในนี่นี่ยอยู่เฉพาะเฉพาะปัญญาก็ก้าเดินสอดตามเหมือนกับสวมรอยตามสวมรอยตามก้าเดินตามรอยประบาทของพุทธเจ้าคือพระโอวาทที่แสดงไปนี่มาขยับตามขยับตามขยับตามเ น, น้นสงบอยู่นี่ไม่ได้ออกไปนอกที่ไหนนี่สงบตัวอยู่นี่นั่น สมาธิกับปัญญาไปพร้อมๆกันไปอย่างนั้นนี่หรืพูดว่เไม่ไเป็นคนประเภทนั้นแล้วไม่เคยมีสมาธิเลยจะดำพิจารณาปัญญาไปเลยโอย้ลองดูสิว่างันอย่ามาอวดหนาวอ่ะนี่ยีพูดจริงๆนะมันกล้าหาญจริงในเรื่องนี้ก็มันปฏิบัติมาแค่เท่าไหร่แค่เป็นทับตายนั่นสองสองสามอย่างนี่สมาธิกับปัญญานี่สาคัญมาก จเจ้ากินให้เป็นสมาธิก็จเจริญแล้วเสือ่อมเจริญแล้วเสื่อมเจรจะฆ่าตัวตายว่าไงห้<ม>ือป<ม>ัญหาจึงได้ละลึกถึงพระโคติกัดนี่ว่าอ่านซิเอี่ <c oughs> มันมีพยานอยู่งั้นนะอ๋อท่านที่พระโคติี่กัดท่านเป็นไปได้อย่างนี้เองมันเป็นในหัวใจเราแล้วก็ยอมเชื่อนรือ๋อนี่เพราะเห็นโทษของหความเสื่อมในสมาธิจรงต้องได้บังคับกันอย่างเต็มที่เอาอัตถะท่าสมาธินี้เสื่อมเราก็ต้องตายฉะนั้นเมื่อเป็นเราไม่อยากตายสมัยต้องเอาสมาธิ เสื่อมไม่ได้นี่เมื่อเป็นอย่างนั้นคำว่าสมาธิมันก็เป็นเหมือนผู้ต้องหาแล้วสี่ถูกบังคับด้วยสติปัญญา น, นั่นบังคับวับนั้นถ้าลงเรืเสื่อมไปครั้งนี้เราต้องตายเท่านั้นเองน้อก็ยอมรับพระโคติกัดที่มีในตำราเพราะมันเข็ดขนาดนั้นนะมันเข็ดขยะเอาเลือะเกินในเรื่องความเสื่เนี่ไม่เสื่อมออมาสักทีเป็นฟุนเป็นไฟนี่ผมไม่มีอะไรที่จะรอานยิ่งกว่าสมาธิเสื่อมวะ่ะ ถึงตั้งเลยเป็นความเคิดหลาขนาดนั้นอึงขอบังคับกันไว้เลยก็เอาชีตเข้าประกันอ้าวถ้าเสื่อมคราวนี้ต้องตายเท่านั้นมันจะตายแบบไหนไม่ทราบนะมันจะเป็นแน่แนเพราะจิตอันนี้ไม่เคยรอแหลนี่นะมันเห็นไปจากนายของมันเคิดขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาเชื่อมไม่ได้ว่ะพราะไปถึงนั้นแล้วจิตมันก็เหมือนผู้ต้องหาอะสิบับงคับบังคับบนไหนตลอดเวลาเผยได้เมื่อไหร่ มันเผลอนี่คุณค่าของสมาธิสูงขนาดไหนฟังสิเวลาสมาธิเสื่อมนี่ความร้อนเป็นผืนเป็นไฟนี่โอ้ยทุกข์มากจริงนะผมไม่ได้ลืมแต่ก่อนไม่เป็นสมาธิไม่ก็ไม่เห็นทุกข์อะไรนักก็ธรรมดาเขาเขาเราเราอนไรนะพอจิตมาเป็นสมาธินี่ได้สมบัติแล้วเราจะว่าล้ำค่าของเราก็ไม่เห็นผิดนี่ว่ แล้วเสื่อมไปทีต่อหน้าต่อตาเนี่โถโถเลยเนี่ยเขยับกันอย่างเต็มที่แปลกนําไปถึงขั้นมันจะเออที่นี่ไม่เสื่อมมันก็รู้ของมันนะแปลกแต่ถึงยังไงก็ตามไอ้เรื่องความคิงว่ากดขันงตัวเองนี่มันไม่มีวดละเลยนะเออที่นี้มันเสื่อมมันจะทำมันถอยอยวไม่มีทางไม่มีทางถอยทั้งที่มันรู้ของมันนะพอพอถึงกึกนี่เออที่นี้ไม่เสื่อมมันชัดนะชัดหนิในะเข้าใจนี่ แต่ถึงอย่งนั้นมันก็ไม่มีถอยในในการระวังเท่าเดิมบางท่านถึนงนะไอ้ <c oughs> มันถอยลงมาหรือนอนใจอยู่ไม่นอนนี่มันเป็นรายลายผู้ลําบากแต่สมัยทุกวันนี้มันนักจะลําบากพอๆกันเพราะทำไมพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นเหมือนกับผลไม้รุ่นแรกรุ่นหัวปีนะง่ายๆมันพร้อมกันเนี่ยกับพระพุทธเจ้ามาอุบัตินี่ มันก็ต้องมาให้พ่อเหมาะแก่กาลเวลาที่สมายใช่ไหมล่ะชาโตโลกก็ผู้มีวิปัสสิษความสามารถรมีบุญมากกว่างั้นเถอะนะก็มาเกิดในระยะนั้นพอดีพอดีพอดีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีวิปัสสิษจึงมีมากนะากั่นเรียกว่าผลไม้รุ่นหัวปีละรุ่นที่หนึ่งที่สองไปล่ะรุ่นที่หนึ่งแล้วก็มารุ่นที่สองพอเป็นพอไปอุกติเตณยูกับวิปจิตตณยูมาเลยเนยยะเป็นรุ่นที่สามมา ถ้าว่าจอกแหนมันกันหนาเข้าขกันน้ำมันมีอยู่ใส่อยู่งั้นแหละแต่ว่าจอกแหนี่ของรุ่นที่สามนี่มันหนามันเปิดยากอยู่เห็น <c oughs> น้ำมีเนี่รุ่นแรกมันบางๆนี่เฮ้ยพอเปิดว่ามันเห็นเลยเห็นน้ำเลยนะอืรุ่นแรกรุ่นที่สองเนี่ยพอรุ่นที่สามนี่จอกมันกันหนานี่ปะน้ำมีอยู่ปกติเหมือนกับ รุ่นที่หนึ่งที่สองอ่นแหละแต่มันที่ปิดบังนี่สิเครื่องปิดบังมันหนาบางต่างกันมันรุ่นที่สามมันหนาเพราะฉะนั้นตรงนี้ฟัดกันเต็มเหนียวฟาดกับจอบกับแหนะมันหนาอะไรทั้งหนานี่ว่าฟาดมันขึ้นบนบกค็พี่มันไม่ขึ้นมันก็ทับหัวเราลงน้ำจมตายเลยเอากันอย่างหนักหลักของจิ้มก็เป็นอย่างนั้นที่ว่า ทำมาคงเส้นคงวาก็เหมือนกับน้ําที่อยู่ในนั้นนะคงเส้นคงวาเป็นเพียงวิเหรีมันหนามันปิดทําไว้เหมือนกับจอกเหน็บมันหนามันปิดน้ำเอาไว้แต่ท่านั้นแหะมันแตกกันเพียงตอนนั้นนะน้ํามีคงเส้นคงวาทำมามีแต่วิเหรีมันหนาสิมันแก้ยากมันหนามันหนาบางผิดกันครับ กับดีว่าขั้งบูธเจ้ารุ่นหัวปีรุ่นกลางปีไม่รู้แ้ว เ, เจอเขาแล้วมันก็ผิดกันตรงไหนนั้นต่างกันตรงไหนว่างนี่เลยใครจะว่าเอืองหรือ ว, ว่าเราไม่มีเจตนาแต่มันกล้าอย่างงั้นหรือวะมันกล้ามันประจักอยนต์หัวใจนี่นจะให้ว่างไงทำบูรเจ้ารุ่นรุ่นยังไงวะว่างั้นเลยหมอบราบเลยเทียวหาทิพย์ข้ามอะไรบูรเจ้ามีกี่โพลนี่หมอบล่าจริงนะก็ต่ อริยสัตว์เนี่ยเป็นเครื่องเปิดพระพุทธเจ้าพระสาวทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายให้พ้นพ้นจากอริยสัตวนี้ก็อริยสัตมีอยู่แล้วว่เปิดเท่มันถูกช่องถูกทางก็ผางเลยสิหั่นเรื่องมันเป็นมันมันมีพัญญมันก็ยันกันได้ปัญหาจงใสจงใสความคาดความระเนืไม่ว่าท่านว่าเรามันท้าความจินไม่ถ้วยได้แล้วเวลามันขยัน มันชี้ขยันขึ้นมาความเพียรมันก็ดีเวลามันชี้เกลียดขึ้นมาแล้วโอ้ความเพียร น, น, นี้ไม่เป็นท่าเลยความเพียรนี่เหมือนเป็นคาึกสู้หมอนไม่ได้นะเห็นแก่งั้นนะธรามะา ห, าหมอนคือกี่เลสมันลงตรงนั้นก่อนถ้าเราไมาได้เห็นมาจากไปโดยดรรม ด, ดายอย่างที่ว่านั่นที่พวกภาวนาพวกปัญญาท่านโอถอยได้เมื่อไหร่ปะเหมือนกับว่าถ้ า, ถ, า, ถ, าถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นเป็นสัตว์ก็คว้าหางมันผิดผิ ด, ผดถูกถูกไปอยู่นั่น คว้าจับหางมันจับผิดจับถูกอยู่นัน่นแล้วมันจะไปปล่อยได้ยังไงใช่ไหมมันถอยได้ยังไงพวกก็ดีคว้าเรื่อยจนกระันจับหางมันได้ลืดมคว้าหางจิเลสอันนี้คว้าหางมันได้นี่มีแต่มันคว้าหางเราเออพวกเรามันพวกหามขี้เกียจกิเลสคว้าเอาคว้าเอาอทุกข์ขังแดนอัศจรรย์อะไรจะยิ่งกว่าแดนของท่านผู้สิ้นจิเลส พวกเรามาคาดเนี่ยโอยอยากไปคาดวางอันเลยนะเพราะมันจะวิสัยของโลกสมมุติที่จะคาดได้คาดถึงคาดถูกไม่มีทางวางให้หลุดแค่ที่เดียวเท่านั้นนะ่ะเพราะพึ่งออกไปมารู้เองเพอผ่านปึ่งออกไปแล้วนั่นคือแดนนิมุดนี่คือแดนสมมุติถ้าเราเทียบ ม, มันก็รู้เองจะอะไรไปคาดอะไรจะมันพูดไม่ได้ทั้งนั้นนหละคาดอะไรก็ไม่ถูก โลกมีสมมุตออิก็ต้องทำให้กุยหมาปทางไปเพื่อให้ถึงธรรมชาตินั้นเอาอาศัยเข็มทิศทางเดินเนี้ยไปเนี่ยสวกาเรธรรมเนี่ยไปเรื่อยพอเข้าจุดมันแล้วที่นี้ก็เอาละถ้ากล้าเข้าสู่ภาวนาวัญ ญ, ญาณแล้วนั่นหละที่นี่แน่นอนนั่นแน่ ท, ที่ที่จะได้จะถึงหละ เปิดออกเปิดออกเปิดออ ก, ออ ก, ออกหมุนติวต่วติ่วความเพียนมันมีวันมีคืนแหละเพินินเรื่องความเห็นโทษของทุกข์ของจิตรนนี่กับความเห็นคุณครั้งที่จะให้หลุดพ้นไปเสียมันก็เท่ากันมีน้ำหนักเท่ากันมันก็หมุนใจดวงเดียวนี่ก็ยิ่งมีกำลังมากพุ่งพุ่งนี่แหละที่สำคัญที่สำัญตรงนี้ เราก็ให้รู้สิจอกจอกมันหนาก็กล่ามขึ้ น, นแรงๆสิจะไปทําแปะแปะแปะได้หรือยิ่งเด็ดเรามันเป็นยังไงก็ฝ้าเหมือนในว่านาของเรามันทํายากกว่าหน้าของเรายากหารือหน้าก็ต้องทำํำละสิงานของเรามันยากจะไปให้แปะออกไปทํางานของคนอื่นได้ยังไงก็นั่นไม่ใช่งานของเรางานของเราอยู่กับเรายากเราก็ต้องทํา ถึเวลาง่ายนก็ง่ายขึ้นกับเรานี่ยเนี่มันทําแทนกันไม่ได้เนี่ยเหมือนกันนะคิดเหรอมันอยู่ในหัวใจของใครของเรามันยากลำบากขนาดไหนเจ้าของก็ทำเจ้าของแก้จของเองเมื่อถึงเมืถึงเวลามันค่อยเบาค่อยเบามันก็เป็นขึ้นมาในหัวใจเจ้าของที่ง่ายเข้าไปง่ายเข้าไปรวดเร็วเข้าไปมันก็รู้เองรู้เองถึงก็มันก็หมดปัญหาปัญหาที่หลุดพ้นของพระพุทธเจ้ากับปัญหาที่หลุดพ้นของพระพุทอรหันต์ทั้งหลายมันเท่ากัน เหมือนกันเลยพ่อผึงแล้วก็หมดปัญหาแหละคาว่าทุกข์ออกมาจากไหนไม่เข้าใจตรงนั้นอืเราจะหางว่าเราจะตั้งสมมุติขึ้นมาว่าสวมตพระอรหันต์าานี้ท่าไม่เคยผ่านกองทุกข์ทั้งหลายเพราะอำนาจของจิตเดชมาแล้วกิจทั้งด้านเป็นอย่างนั้นแล้วคําว่าโลกว่าเป็นทุกข์ทุกข์ท่านจะไม่รู้เลยนะถ้าจะพูดภาษาของเรานะนี่ทุกข์นี่เป็นไงนาเขาจิตเรามันไม่มีคําว่าทุกข์นี่ ถ้าจะเราเป็นเครื่องเทียบนะแต่นี้มันต่างคนต่างได้ผ่านมาแล้วที่จะไปถึงนั้นมันก็ผ่านทุกไปแล้วนี่<ว>นเมื่อถึงที่ไม่มีทุกเลยแล้วกับคนที่มีทุกเข<ว><น>าพูดกันยังไงก็เราเคยผ่านมาแล้วมันก็รู้เองนั่นนั่นมันเป็นข้อเทียบกันได้อย่างนั้นนี่แต่หากว่าท่านเราสมมตินะถ้าว่าท่านไม่เคยมีทุกเพราะหน้าของจิเดชมันบีบบงังคับหัวใจแล้วจึงได้ผ่านจิตเดชไปแล้วพ้นจากทุกนั้นแล้วก็โลกว่าเป็นทุกบนทุกนั่นก็จะไม่รู้ ทุกไงล่ะคุณยวายดัเหมือนอย่างพระอนุรุตว่าขนมไม่มีเอาขนมไม่มีมาวะใช่ไหมล่ะขอขนมจากแม่เน่ยเาขนมไม่มีขนมหมดแล้วเอาขนมไม่มีมาเอาขนมหมดแล้วมาวะโอ้ลูกคนนี้มันไม่ลูกเราเนี่มันไม่รู้ถึงขนาดนี้นะขนมไม่ขนมหมดแล้วยังไม่รู้เพราะมันความสมบูรณ์นั่นขนมไม่มีก็ไม่รู้เพราะความสมบูรณ์ ภูมิผลตลอเวลาเออเขาเลยได้เอาใส่อะไรครอบไปแล้วหนุ่มไม่มีอะไรเลยมีแต่ภาชนะว่าเปล่าเปิดออกมากนี่ขนมไม่มีเป็นอย่างนี้เดีวอ๋อน่กกากดความต่อจังเวทนั่นผู้มีปนิสัยเห็นไหมละ่ะโอ้ไม่มีอย่างนี้โลงนี้ไม่หาความแน่นอนมาได้อันนี้จังนั่นเห็นไหมเข้าแล้วนั่นน่ะขอในธรรมแล้วนั่นล่ะบ้างเป็นยังไงบังที่ต่างกันแต่พวกเราเนี่ยขนมมีปลาจามข้าวป่านข้าใจ มันเพิ่มก็อีกใย่ไงมล่ะคนเราไม่มีไม่มีอาวุธทำไมปลากรบปานปลากรบปานมันก็ไม่มีใช่ไหมล่ะมันกระป๋านเนี่ยนี่เอาเทียบคันเข้าไปสิคนเราไม่มีพระนุษยท่านไม่เคยรู้เดียวก่อนคนเราไม่มีเป็นยังไงไม่ไม่รู้ว่าไม่มีคืออะไรนั่นผู้ที่อดอยากขาดแคลนจะเป็นจะตายมีมากขนาดไหนใช่ไหมแต่ท่านไม่ได้มีอดอยากขาดแคลนอย่างนั้น ว่านคำว่าขนมไม่มีขนมหมดแล้วจึงไม่รู้แล้วให้เอาขนมไม่มีมาให้ว่าเอาขนมหมดมาให้วะานี่ถึงต้องเลยภาชนะแล้วเอาเอาปล่าๆแล้วก็เอาภ า, าชนะมาครอบแล้วให้ให้เปิดเอาดูเปิดโอ้ขนมไม่มีเป็นอย่างนี้มันหมดหมดอย่างนี้เองนะี่ท่านผู้เหลือนั้นถ้าท่านท่านไม่ได้ผ่านแต่นี้มัน ม, ม, มันก็ผ่านด้วยกัน ถ้าท่านไม่ได้ผ่านอี่ท่านท่านตั้งแต่ขณะท่านพ้นไปแล้วท่านเอาทุกข์มาจากไหนวะเนื้อมีที่ไหนทุกข์ในใจของพระละหั น, น, นท่านมีเมื่อไรนั่นแหะใจขอท่านมันเป็นอย่างนั้นแล้วพวกพวกผู้มีกิเลสทั้งหลายพูดถึงเรื่องความทุกข์ความลําบากเพราะอนาจของกิเลสนี้จะไม่รู้เรื่องก็จะเป็นขนมไม่มีไปเลยห่ะ ว, ว่าไงแล้วนี้มันผ่านไปด้วยกัน ท่านได้ยก ม, ม า, าเทียมมาเคียงให้พวกเราทราบว่าความทุกข์เพราะหน้าของกิเลสนี่มันทุกข์ขนาดไหนขนาดไหนนั่นกเขาท่านเคยเป็นมาแล้วแล้วพ้นจากกิเลสแล้วมันเป็นความสุขยังไงยังไงนั่นท่านได้ทั้งสองอย่างที่เขมาพูดให้เราสอนเราพวกเราเอางนั่นนั่นได้หรือได้ทั้งสองอย่างเพื่อเป็นกําลังใจงของพวกเราที่จะได้เอื้อมและบึกบืนไปตามท่านนั้นเป็นกธรรมชาติแล้วนั่นไม่มีอะไรมาทุกข์ทุกข์ที่ไหนเนี่ย ไอ้ยม e. no ีสาเหตุได้เกิดทุกสาเหตุก็คือกิเลสมันก็หมดไปแล้วแล้วอะไรมาสร้างทุกข์ขึ้นอยู่กับใจได้อีกนั่นนั่นแหละหลักธรรมชาติเองเรื่องธาตุเ e ัืงขันก็รู้มันเป็นทุกข์อย่างนี้แต่ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาตินั้นมันไม่ได้เป็นอันเดียวกันเลยนันก็รู้กันชัดๆอยู่งั้นนี่น่ใช่ว่าท่านสวยทุกเวทนาที่ตรงไหนกันละนั่นเวทนาก็เป็นเรื่องของขันนั่นจิดมันจิตวิมุต นี่อันนี้เป็นสมมูลมันเข้ากันได้ ย, ไยังไงเนียไหไงก็เข้ากันไม่ได้จึงเป็นอาถารพ์นั่นเองเน้อนี่เทศภาคภาคที่มีจกิจวนมากกัเทศอย่างนี้แหละนะอันไหนที่เป็นกติพอเป็นอัดเป็นธรรมเป็นกติเหมาะกับหน้าที่การงนานของเราก็เอาไปปฏิบัตินะแค่นั้นแหละเอาเลิกกันเอานี้ออก